แบบเข้าข้างตัวกินได้นอนหลับกายยกสุขถ้ากินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็เป็นทุกข์กายยกสุขทําไมจะกินได้นอนหลับเพราะโลคไม่กําเริบไม่กําเริบืบไม่กําเริบถ้าโล ก, กําเริบมันก็เป็นทุกข์ ทุกในทางพระพุทธศาสนากายิกระทุกทุกทางกายเกตัสิทุทุกทุกทางใจกายยิกสุขสุขทางกายเกตัสิทธุทุกทางใจสุขทางใจมีอยู่ใจปราศจากกามวิตกความตริกในทางกามพยาบาทวิตกความตริกในทางพยาบาทมีเหงสาวิตก ความตริในทางเบียดเบียนเว้นซักเธอจงทําให้พี่นา่านความสุขใจจะมีมาแก่้อือถ้าเธอไม่ทําอันนี้ให้พี่น่านแล้วความสุขใจของเธอจะมาจากประตูใดละ่ะพระบรมศาสน า, ศ า, ศาการม้ามีตกไม่มีในใจของท่านผู้ใดพระยาบาทมิตกไม่มีในใจของท่านผู้ใดวิหิงสา ม, มีตกความเบียดเบียนไม่มีในใจของท่านผู้ใด ความร้องเรียกหาสุขใจก็ไม่ต้องร้องหามาเองท่นานพอย่างการม่มากามัธยตกัดกินจิตกินใจอยู่พยาบาทมัธยตกกัดกินจิตกินใจอยู่หญิงสาวมัธตกความเบียดเบียนกัดกินจิตกินใจอยู่เธอจะร้องเรียกหาความสุขใจมันก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปากเลยพระพุทธศาสนาพูดเจ็บผู้ปวดผู้ปวดมากพระพุทธศาสนา แต่ว่าไม่เก็บไม่ผวดถือเป็นของสนุกอีกซะด้วยทีนี้ในิีนิมานุนทสูตรก็บอกว่ากายนี้มีทุกมากมีโทษมากเราอาพาธต่างๆย่มตั้งอยู่ในกายนี้จัคคุโรโครโรคในตาโสตะโรโคโรคในหูคาณะโรโคโรคในจมูก ชิวหาโรคโคโรคในลิ้นกายโรคโคโรคในกายทั่วไปดันตะโรคโคโรคในฝันมุขะโรโคโรคในปากโสตะโรคโคโรคในหูนอกจากนั้นยังมีโรคอีกร้อยแปดพันประการโรคดีเดือดโรคเบาหวานลิ์ีดวงลำไส้หืดไอหวัด ความเก็บเกิดขึ้นจากไละรูแปลปรูความเก็บเกิดขึ้นจากพัดเปลี่ยนอิริยาบถไม่เสมอความเก็บเกิดขึ้นจากวิบากของกรรมที่ทำไม่ดีในปัจจุบันและอดีตความไม่มีโรคเป็นรากอย่างยิ่งถ้ามีโรคแล้วมันก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งเหมือนกันกายทำไมจึงเป็นทุกข์ เพราะใจชาติก่อนพบก่อนก็ดีนะปัจจุบันนับพบเนี่ยกด็ดีเราไปเบียดเบียนสัตว์เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไปเครียดไปตีสัตว์แล้วเราจะหาความสุขในกายมาจากประตูใดละ่ะพรบรมศาสด า, าเราสร้างไว้แล้วเหตุนั้นจึงมันหยาบละ่ะกายยังมีทุกข์มากมีโทษมากดังที่ว่ามาแล้วนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีโรคอีกกุดถังโรคเลือดกันโทรโรคฝีกีฬาโสโรคกา ก, ากมองเคราะลมบ้าหมูลมตีขึ้นเบื้องสูงลมพีลงเบื้องต่ำโรคในลำไส้ฤทธิ์ีดวงทวารหนักฤทธิ์ชีดวงทวารเบามะเร็งในตับในปอดในลำไส้สารพัดโรคนี้จะเกิดขึ้นกายนี่มีทุกว่ามีทวกหนมาเธอทั้งหลายจงพิจารณากายซักให้เบื่อหน่าย อย่าได้มาก่อกายเอมีทุกถ้าจะเทียบในทางทุกก็ไม่มีที่ประมาณถ้าจะเทียมเนี่ยเทียบในทางโโคลกก็ไม่มีที่ประมาณอกีกข้างนอกจะล่างดีสักเพียงไหนก็ตามข้างในก็เปรียบเหมือนถุงมุดถุงคูดหม้อข้างนอกข้างนอกสะอาดแต่ข้างในเต็มไปด้วยมุดคูด จะถือว่าสวยงามยังไ ง, งได้พระบรมศาสตราพูดตามเป็นจริงพูดตามเป็นจริงเรียกว่าพูดตามอริยสัจสัจจะความจริงพูดตามจริงถ้าพูดไม่จริงเขาเรียกว่าโกหกตนเองเคยโกหกตนเองก็โกหกมาเห็นว่าร่างกายเป็นของสวยด้วยเห็นว่าร่างกายเป็นของสุขด้วย ถ้าหากว่าร่างกายเป็นของสุกเราจะแก่จะเก็บจะตายทําไมนะใครถือว่าร่างกายเป็นของสุกคนนั่นเป็นเมตตาสฐิผู้ใดถือว่าร่างกายเป็นของทุกข์คนนั่นจะเบื่อหน่ายในทุกในวัตาสงสารท่านผู้ใดถือว่าร่างกายเป็นของสวยงามผู้นั้นจะไม่หายจากราคะง่ายจะดองราคะไว้ไม้ตัวเอง ไฟราคะราคะคีนาไฟคือราคะโทสักคีนาไฟคือโทสักโมหคีนาไฟคือโมหะกิเลสทั้งสามกองนี่ใครเป็นนายหนนะ้าก็โมหคีนาเป็นนายหน้าโมหขีนาแปลว่าความหลงหลงไม่รู้จริงหนึ่งหลงไม่รู้ตามเป็นจริงเรีวว่อวควาโมหคีนา มันเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งเราก็ไปบัญยัติให้คะแนนบัญญัติหนึ่งมันเป็นจริงทุกเราก็ต้องบัญญัติมันทุกมันจึงจะถูกเรามันเป็นจริงสุขเราจึงบัญญัติว่าสุขมันจึงถูกบรรญัติสุขในพระธรรมพุทธศาสนาก็มีอยู่ว่ากายจะกสุบถูกทางกายชั่วคราวเจตสิกสุขถุกทางใจก็่าชั่วคราวเดี๋ยวก็เกิดทุกข์เองที่เราบัญญัติว่าสุขเป็นเราบัญญัติชั่วคราวเฉยไอที่แท้ สุขในทางพระพุทธศาสนามันก็มีอยู่ว่าสุขถึงพระโสดาบันสุขถึงพระสกทาคามีสุขถึงพระอนาคามีสุขถึงพระอรหันตันสุ ข, ส, ขกกสุขในทางโลกุตระสุขในทางโลกีพระบรมศาสตร์ได้ไม่ยืนยันแต่ว่าก็พากันเรียกเรียกหูว่ากามสุขแต่ไอาที่แท้มันก็เป็นการมาทุกข์นั้นดีๆเรา ด, ดีนี่เอง ที่เราเรียกว่าการมาสุขอท้ทีแท้เป็นการมาทุกเราก็เรียกตามชาวพระโลกเขาเรียกกันเฉยๆแต่ว่าให้เรียกให้ถูกก็ต้องเรียกตามโลกุตระธรรมเรียกะตามโล ก, กียธรรมมันไม่ถูกสุขของเนื้อหาต์ก็มีอยู่สี่อย่างสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์สุขเกิดแต่จ่ายทรัพย์บริโพ สุเกิดแต่ความไม่เป็นนี่เป็นศิลถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอเนจังอีกเกิดขึ้นแล้กแปรปวนได้แต่สลายสุขได้ลาบได้ยศได้สนเสริญถึงอย่างนั้นก็เสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่อมสรนเสรินอีกไม่ลาบหนึ่งไม่มีลาบหนึ่งมียศหนึ่งไม่มียศหนึ่งนินทาหนึ่งสนเสรินหนึ่งสุขหนึ่งทุกหนึ่งโลกธทําแประการนี้เกิดขึ้นแล้วควรพิจารณาว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแกเราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรรู้ตามที่เป็นจริงอย่าให้มันครอบงําจิตได้คืออย่าเย็นดีในส่วนที่ปราถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปราถนาสิ่งที่ปรารถนาก็คืออิทธารม์ย่นลงมาสิ่งที่ไม่ปราถนาก็ อ, อนิธารมณ์ให้รู้ตามเป็นจริงสะกวาเงเฉยสัเดี๋ยวมันก็มากลับมาเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะอยู่ใต้อํานาจอ น, อนิจัง พูดจากท่า น, นพมรมศาสราราเราจะถามหาสุกายสกใจสุกายสุกใจขั้นที่หนึ่งคือพระหรหันต์ไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกใจก็ไม่ได้มาสุกกายสุกใจขั้นที่สองก็คือพระอนาคามเมสุกกายคือยังไงคือเว้นจากข่าสัตว์รักทรัรพย์ประพฤติผิดในกรรมเรียกว่าสุกายเพราะไม่มีเวรในภายในส่วนนี้ ทุกกายคืออะไรคือข้าศัตร์รักทรัพย์อาพืชพิษในกรรมเรียกว่าทุกกายทุกใจคืออะไรการมรรตตกพยาบาทเวรตตกวิหิงสาวมรรตกสุขใจคืออะไรไม่มีการมรรตตกไม่มีพยาบาทเวรตตกไม่มีวิหิงสาวมรรตก เช่นท่านผู้เข้าฌานไปแล้วกรารมวิตกความติในทางกามไม่มีพยาบาทด้วยตกความติในทางพยาบาทก็ไม่มีวิหิงสาวิตกความติในทางเบียดเบียนก็มีก็ไม่มีเพราะเหตุใดเพราะพิกรารนาเพ่งอารมณ์อันเดียวไม่ได้ส่งสายไปทางอื่นก็บันเทาความสุขใจได้ชัว่วครั้งชัว่วคราวว่าส่วนสุขใจทางปัญญาเห็นโทษในกิเลสมากมายแล้วขอพ้นจากกิเลสไปอย่ากว่าสุขทางใจขาดตัวอันนี้ เป็นเอกเทศไปไม่ขบวคืนเอกสุขของพระโสดาบันไม่ขบวคืนสุขเป็นเอกเทศสุขของพระสกทาคารีก็ไม่ขบดคืนก็สุขเป็นเอกเทศไปละเอียดกว่านั้นสุขพระอนาคารีก็ไม่ขบวคืนสุขเป็นเอกเทศสุขพระอรหันต์ไม่ขบวคืนเลยไม่มีทุกมาเกลปนไม่ขบวคืนสุขพระอรหันต์ ราคะมีอยู่ในคันธะสันดานของเราหมดไปแล้วโทสะไม่มีเลยใครจะมากล่าวตู่ใครจะมาด่ามาว่าสักเพียงไหนท่านก็ไม่โกรธเพราะมันหายไปแล้วท่านก็ไม่หลงไม่หลงในโลกทั้งปวงด้วยไม่หลงในอดีตไม่หลงในอนาคตด้วยไม่หลงในปัจจุบันด้วยไม่หลงในผู้รู้ด้วยถึงจะรู้สักเพียงไหนก็ไม่มีอาหารการมะวางการเป็นแต่สภาวะรู้กระจบลงเพียงนั้นไม่ต่อไปหาโรคพากโกรธพาหลง เปนสักว่าเห็นก็จบลงเพียงนั้นไม่ต่อไปหา โ, หาโรคภารกุทธาหลวงนั่นเรียกว่าสุขอย่างเต็มที่สุขทั้งกายด้วยสุขทั้งใจด้วยสุขทั้งกายเพราะไม่ได้มาเกิดแก่เจ็บตายอีกสุขทั้งใจเพราะไม่มีกิลเลสเข้าสู่พันธะพานไปซักอ น, นันต์ข้าวชาติพิทุขาแล้วก็ไม่ต้องถามหาสุขในทางกายล่ะเมื่อวัชชาติเป็นทุกข์ละ เกิดมาเป็นเศรษฐีก็รุลพินีก็ตามก็แม่พ่นเกิดแ ก, ก, ก่เจ็บก็แม่พ่นแก่พ่นเจ็บพ่นตายพ่นเจ็บพ่นปวดเหมือนกันความทุกข์ในกายนี่พระบรมศาสดาบัญญัติจนถึงว่าชี้คัดฉาหิวเข้าก็เป็นทุกข์ปิปัสสาหิวน้ําชี้คัดฉาปิปัสสาหิวเข้าและน้ําก็เป็นทุกข์อุจจรปัสโวโหติก็เป็นทุกข์จะได้สุขมาจากประตูไดราร่างกายพระบรมศาสดาพูดอย่างนั้น เสียตังถูกอันเย็นก็เป็นทุกข์อุ่นหังถูกอันร้อนก็เป็นทุกข์ชิกษาปิปาษาเหว่าเข้าระหายแล้วก็เป็นทุกข์อุจจโรปัสโวโหติปวดอุจจะปวดปัสสวะก็เป็นทุกข์จะมีสุขมาแต่ที่ไหนลนะ่ะพระบรมศาสด า, า, าพูดอยนะ่างนั้นแต่พวกเราถือว่ามันเป็นความธรรมดาแกรก็มันเป็นธรรมดาทุกข์เพราะเคยกินแล้วเพราะเคยกินทางทุกข์มันก็เลยยันยัดว่าสุขไอ้ที่มันมันไม่มีสุขมัน เราโกหกเราเฉยเฉยอธิแท้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเร้าพระบรมสาราสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พระเจ้าข่าสิ่งที่มันเป็นทุกข์แล้วเราจะมายืนยันว่าเป็นเราเป็นเขามันจะสมควรไหมไม่สมควรพระเจ้าข่าถ้าหากว่ายืนยันว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ไม่ต้องการทุกข์มันก็ทุกข์ไปซะย่างพึงผายต่อหน้าต่อตาเราไม่เกรงไม่ขามไม่ละอายเลย แก่ก็แก่ไม่ละอายเก็บก็เก็บไม่ละอายปวดก็ปวดไม่ละอายก็เรียกว่ามันมาอยู่ได้บังคับเราจะมายืนยันว่าเราว่าเขามันก็ไม่ถูกก็เป็นแต่สภาวะธรรมสภาวะทุกข์เท่านั้นเอ้าพระหันหาสุขในโลกเจอไหมไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเท่าเมตดงาก็ไม่เห็นเลย ถ้ า, มาเมล็ดพันธ์ประกาศและเมล็ดนาก็ไม่เห็นเลยเมื่อไม่เห็นความสุขในสัพพโลกตั้งปูอท่านจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซักสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งพระบรมศาสีราสังขารคืออะไรบ้าสิ่งที่มีใจครองสิ่งที่ไม่มีใจครองสิ่งที่มีใจครองก็คือสกุลนร่างกายของเรานี่มีผู้เข้าครองคือจิตใจ สิ่งที่ไม่ไม่ไม่ไม่มีใครคลองคือดินร่วนร่นวนวน้ำร่วนร่วนไฟรวนร่วนต้นไม้ร่วนรวนสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสังขาราปรมาทุกขาสังขารเป็นทุ ก, ทกอย่างยิ่งไม่ใช่เป็นทุกธรมรมดามีอย่างยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยชาติปิทุกขาแม่แม่ไ ม, ม่โทยังเพิ่มขึ้นอีกแม่อันนี้ก็เป็นทุกชาะปิุขขาปแปลว่าแม่ ไม่ใช่เป็นทุกข์ธรรมดามีแม่เพิ่มขึ้นด้วยแม่อันนี้ก็เป็นทุกข์ทีนี้จะหาสุขมาจากความเกิดแก่เก็บตายจากประตูใดล่ะพระร ห, หา์หาไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นเสียแล้วเหตุนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปชั่วรัดนิ้วมือเดียวซะ mm hmm. พวกเราอวดดีแข่งดีกับพระรหามาหาความสุขอยู่ในโลกแขงพระรหา์ว่าพระทหารเป็นคนโง่หา ความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอเราจะไปแข่งดีแข่งดีก็แข่งเกิดแข่งแก่แข่งเก็บแข่งตายแข่งเวีแข่งภัยกันอยู่ทุกวันนี่นะเสียงปืนเสียงปืนคือเสียงอะไรเสียงเวีนเสียงภัยเสียงตายเสียงปืนก็คือเสียงตายถูกใครตายทั้งนั้นเสียงเวีเสียงภัยป้องก็เสียงเวีนไม่ใช่เสียงปืนเสียงเวียนเาะอย่างนั้นทีนี้ใส่ชื่อรือนาใหม่ซะเสียงสาบเสียงแฉงก็เสียงเวีนเหมือนกันเสียงด่ากันหากินตับหากิีดปอด สารพัดคือเสียงเวีนเสียงพัยเสียงไม่มีเวียนอย่างพัยสวัสดีคนณป้าคนลุงคนหนูคนปู่คนณย่าคุณตาคนยายอันนั้นรถตำแหน่งเวียนพายลงแล้วนะเสียงสาบเสียงแข้งเสียงเวีนเสียงพายทั้งนั้นเสียงมืองเถอะก็เสียงเวีนเสียงพัยใช่ไหยคำว่าเมืองเถอะนี่กินความกว้างเนอไม่ไม่รู้ว่ามึงเถอะอะไรไม่ทราบเนาะ มึงเถกำพันหรือเืองหมือนมึงเถ อ, ป, อ, เถอปืนก็ไม่ทราบ อ, อันนี้ลหละเหตุฉะนั้นจึงเสียงเวรเสียงภัยจึงเต็มในโลกธาตเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงเป็นที่พึ่งของโลกจึงสอนโลกไขเบื่อนายคลายหลงในวัฏฏะสงสารไม่หามาเกิดแก่เก็บตายอีกพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงคีบด้วย พระพุทธศาสนาไม่มีอยู่ในหัวใจพวกเราแล้วเราจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนมอดม้วยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครลุกร้าวชาวพุทธผลของกรรมอันไม่ดีจะตามที่สุดถึงที่สุดอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใช่กฎหมายใดๆก็ตั้งไม่อยู่เขาทําไม่นาคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยพวกชาวไทยจงรีบเปร่งเกรงพุทธ ชาติศาสนาจะไม่หลุดตกเป็นไปเป็นอื่นชุกราบลื่นทั้งรัฐราชาความสุขในโลกไม่มีความสุขในโลกก็มีอยู่ว่าสุขโหปุญญาจะอุจยโยความสะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขความสะสมแห่งความดีนำมาซึ่งสุขก็ว่าพาอแปลเป็นไทยว่าความดี แปลเป็นคำกลางภาษามคตว่าบุญทุกโขปาปัสสะอุจโยความสะสมแห่งบาปคือสะสมความชั่วนำมาซึ่งทุกคำว่าทุกในที่นี้ก็หมายถึงทุกกายด้วยทุกใจด้วยเหมือนกันยกข้อทหานผู้ไปตีคุกเขาเป็นทุกแต่กายหรือใจเขาก็เป็นทุกเหมือนกันใช่ไหมนั่น เวลาเรากินไม่ได้นอนไม่หลับก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจด้วยเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงไม่ยินดีในชาติความเกิดแก่เก็บตายจึงเข้าสู่พระนพานไปซะจะหาความสุขในชาติได้พบมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นเลยถ้าว่ามันมีอยู่คนก็ยัดเยียดกันกว่านี้ไม่มีที่จะอยู่เพราะแย่งกันอยู่มีผู้แบ่งไปพระิพานว่า แบ่งไปนรกบ้างแบ่งไปสวรรค์บ้างแบ่งไปพรหมบ้างเข้มาบ้างในที่หลายหลายแสนหลายล้านเนอะเขามาบ้างในที่นี่แต่ละหมวดละหมดถึงอย่างนั้นก็ยังยัดเยียดกันอยู่ในโลกนะถ้าว่าชิงกันมาเกิดสนองเวียนสนองภายในโลกนะไม่มีที่อยู่ยิ่งจะยัดเยียดกว่านี่ผู้ไปพระนิพพานก็มีผู้ไปสวรรค์ก็มีผู้ไปนรกแล้วยังไม่มาก็มีถึงอย่างนั้นก็ยังยัดเยียดกันอยู่นั่นนั่นนั่น หาความสุขในโลกมันไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่ปะเสียแล้วเหตุฉะนั้นจึงเรียนวิชาปลดอาวุธความหลงของตนซักเพื่อเข้าสู่พระานไปความสะสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขบุญคือสเสบียงอาหารเดินเพื่ อ, อาข้ามไปสู่พระิ槃บาป คือเสบียงอาหารลงสู่นรกลงสู่โลกันตร์นรกบาปเป็นเสบียงเป็นอาหารทางทุกลงสู่นรกบุญเป็นเสบียงเป็นอาหารทางไปสู่พระนิพานบุญในทางฝ่ายพระพุทธศาสนาบัญยัิถึงพระอนาคามีบาปในทางฝ่ายพระพุทธศาสนาบุญก็คือสุข สุขในทางพุทธศาสนาะสุขที่ยังไม่จีรังยังยืนบัญญัติถึงพระอน า, าคามสุขกีรังยังยืนบัญญัติพระรหัสจำพวกเดียวสุขไม่มาทุกข์อีกไม่มาเกิดเก่เกบตายอีกเรียกว่าสุขแท้อันนั้นไม่ใช่สุขเทียมสุขจริงจริงอ น, นัน สุก แ, แรกไม่มาไม่ามาเป็นหมัดแรกหมัดแรกแรกทุกข์อีกทุกในบุญในบาปมาเป็นหมัดแรกสุกแรกทุกข์กันอ ย, อยู่แต่ว่าสุขในทางพระสวัสดบิบาลทากาคามี อ, อนาคามีพราหันสุกก้าวหน้าสุกก้าวหน้าไปสู่พระน涅槃ไม่ได้กลับขึ้นมาทุกขเพิ่มทุกข์อีกไม่ได้บวกทุกมีแตท่ทําลายทุกขออกไปเสมอๆจนถึงพราหันสุขในทางโลกุตระ สุขในทางโลกีพ่ะปะรามาสตาณาไม่ในบัญญัติจะเป็นสุขเลยเดินวนนะนะนะเดินวนขอบกระดกภายรือในเองน ะ, น ะ, นะไม่มีภาคต้นขนา้าวปลายสุขในทางโลกีสุขในทางโลกุตระนี่สมมุติว่าโลกสุขพระสวสดาบันมาถึงนี่ ซุปปะคาคามีมาถึงนี่สุปพระอนาคามีมาถึงนี่ซุปปัสสาวะบันถึงนี่ซุปคาคามียถึงนี่อนาคามีถึงนี่ซุปประหารข้ามเลยข้ามโลกข้ามวนข้ามเวียงซ <c oughs> ุปในทางโลกีถ้าฟาแลบยัก็กกมาทุกอีก ไม่ได้ม่ได้สุก้าวหนะ้าใครอยากสุก้าวหนะ้าก็จงมีศีลห้าบริบูรณ์ไม่เสียดายอยากร่องละเมิดศีลหา้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นนอกพระพุทธศาสนาไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ย ง, งคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือโลกดียามดี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 ไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดศีลห้าด้วยไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดอบายจำมุกด้วยเราหาความสุขใจความสุขใจจะมีมาจากประตูประตูใดละ่ะถ้าไปมีศีลห้ามีศีลห้าบริบูรณ์ความสุขใจจึงจะมีข่าสัตว์เวนข่าสัตว์ก็เว้นซะเวนลักทรัพยบก็เว้นซะ เวีนการมีสมิทธิชัาการก็เวีนซะนี่กาเมีสมิทธิชัยาการไม่ค่อยจะเอาทละใจใส่เแล้วเราเมิดเมียเขาแล้วเราเมิดผัวเขาโกหกพกรองก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยทีนี้มันเป็นเวีเวีนไทยกูโกหกมึงมึงโกหกกูต้มสูญกันสารพัดก็เป็นเวีใหญ่อีเหมือนกันเวียห้าประการนี่ไม่ระงับเสียแล้ว ได้ความสุขมาจากประตูใดล่ะนั่นนั่นกายเยวีเวทคือเว้นจากข้าศัตรรักพระประพฤติผิดในความจิตตวิเวทคือเว้นจากกามัวิตกพยาบาทวิตรตกวิหิงสาวิตกอุปธิวิเวทคือผลของกา ย, ยเยาวีเวทผลของจิตวิเวทเรียกว่าอุปธิวิเวทสงัดจิเลต ส ง, งัดชั่วคราวส่วนพระสวดาวันละได้เป็นเอกเทศสมมติว่าเขารบสงครามเขาตีจังหวัดหนึ่งได้แล้วจังหวัดนั่นไม่ขบวคืนไปเอาอีกสองสามจังหวัดสี่จังหวัดก็ถึงพนครหลวงตีพนครหลวงแตกแล้วไม่ขบวคืนคือโรคคือความหลง ไปความหลงแตกแล้วปัญญาเหนือความหลงไปแล้วความัความหลงก็ไม่ขบุดพืนเหมือนสว่างสว่างพอแล้วขับมืดหนีไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นผู้สว่างมาแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มืดข้าพเจ้าจะลาไปละ่ะแสงสว่างก็ไม่ได้ว่ามืดก็ไม่ได้ว่าไปเลยชั้นใดก็ดีเมื่อชิ่นความใสความสงสัยตอนไหนมาความสงสัยตอนนั้นก็หายไปไม่ได้สั่งราเลย คำสอนพระพทธศาสนาไม่ให้ไม่ได้สอนว่าจะมาให้มาแย่งกินแย่งขี้กันอยู่ในโลกนี่คาชั้นสูงสอนให้เข้าสู่พระนพานสอนเป็นขั้นตอนไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติสอนเป็นขั้นตอนไปเหมือนพวกครูโรงเรียนสอนกอสราคาขอสราขาอยู่สั้นเตรียมแล้วก็สอนชั้นประถมแล้วก็สอนมัธยมเป็นลําดับไปจนถึงปริญญาอันเดียวกัน ปัญญาสยาจะริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีละนะปิญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาปหาละปัญญากำหนดรู้ด้วยการระศัยตีละนะปัญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาพิจารณาหทางคือจะละที่จะเอ็นกำหนดรู้ด้วยการรู้ตีละนะปัญญากำหนดร้ด้วยการพิจารณา ปหาในปริญากำหนดด้ดยการละเสียกัรละเสียมันเป็นสี่ชั้นพระโสดาวันก็ละสกทาคามีก็ละอนาคามีก็ละพระหันก็ละมดแล้วละสิ่งที่ไม่เป็นธรรมคำสอนลทัทธิอื่นๆสอนทางวัตถุนิยม นักไปในทางวัตถุนิยมพระพุทธศาสนาวัตถุนิยมสอนพอประทางมาทางประทางเพราะวัตถุนิยมอยู่ใต้อํานาจอนิจจังเกือบเครื่องดักแฟป่วนได้แต่สลายวัตถุนิยมเราก็ชมว่าด้อยู่แต่มันอยู่ใต้อู่ของอนิจจังสิ่งไหนที่อยู่ใต้อู่ของอนิจจังก็ไม่เป็นเครื่องอุ่นใจของสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมก็เพราะอุ่นใจแต่เวลาที่กําลังไม่อยู่เมื่อมันพักผ่ากไปมันก็เสียใจนั่นเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอน ใหเห็นทั้งโทษทั้งคุณในวัตถุนิยมและอุดมคติออุดมคตินับแต่พระสรวัสดิาลเป็นต้นไปจนถึงพระพหลา น, น่เรียกว่าอุดมคติใครเป็นผู้หาสุขในโลกเก่งพระสุตตมัสสพุทธเจ้าหาสุขในโลกเป็นชั้นที่หนึ่งพระพหลา์สาวกเป็นชั้นที่สองพระพเจกเป็นชั้นที่สอง พระหังตาขีลาศเป็นชั้นที่สามไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นไม่ปะเสียเลยเหตุ น, นั้นจึงยกธงขาวต่อความหลงของเจ้าตัวซะจะไม่มาหลงอีกเคล็ดลับแล้ววอย่างนั้นจะไม่มาหาอีกเลยเบื่อนายแล้วก็ข้ามทะเลหลงของตนไปสะเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ ในห่วงทะเลหลงยลเยอะเลยผู้มีเกียรติมากก็หลงมากผูก้มีเกียรติน้อยก็หลงน้อยผู้ไม่มีชืเลยก็ไม่หลงเข้าไปสู่พระนิพพานซะดอกบัวสีเหลาก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลกดอกบานก็บานเต็มภูมิคือท่านผู้พนไปแล้วดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิคือท่านผู้ตะเกียบตะกายากระพ่นอยู่ ดอกเสมอน้าําก็เสมอหน้าเต็มภูมิเหมือนบคนุคคลผู้ถือผีบ้างถือพระพุทธศาสนาบ้างถืออยู่ยงคงกพันบ้าง้วก็ปะปนกันแล้วก็ถือสําหรับเราไม่ได้ถือเลยอยู่ยงคงกระพันไม่ได้ถือมาแต่เป็นเด็กเ้าหลอกให้สักมืัวนี่เขาเราก็สักเฉยเราไม่ถืออยู่ยงคงกพัน มึงมันเป็นนิสัยผู้หญิงเพื่อนเอ๋ยมาสักกับูสะหมายเหตุผู้ชายเพราะอย่างนั้นมึงไม่มีเงินหรื อ, อเงินสามสลึงมึงไม่มีหรือมึงไม่ไม่มีกูจะให้พูดแล้วกว็เตะตูดตั๊บเลยเออกูก็มีอยู่หรอกมึงมันเหมือนผู้หญิงกูไปดูข้างหลังมงเหมือนผู้หญิงหมายเพศสักเพื่อนสมัยนั้นข้าลายไม่มีข้าลายยกเลิกกันแล้วสมัยอะ รอบชานเมืองโอรอนลูกยเขาก็มาหลอกให้สักเนี่ยแล้วก็สักไปตามเขาเนี่ยไอย้ที่แท้มันปวดจะตายไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันเราไม่เชื่อมาแต่ไหนเลยทําไมเราจึงไม่เชื่อเพราะพระโมกขนาเขาตายด้วยค้อของเขาเนี่ยเหาะเหินเดินอากาศได้กรรมมาถึงแล้วก็ตายด้วยค้อนเขาเพระโมคขาลายเข้นกรรมท่านท่านก็เลยยอมัวไปให้เขาฆ่า ตายด้วยข้อนเขาโดนห้าร้อยฆ่าพระโมกคลาโดนห้าร้อย่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระโสดาวันมีศีหลห้าบริบูรณ์พระเจ้าพิมพิสารทรงอำนาจชิดที่ขาดมีศีหลห้าบริบูรณ์ตงกฎหมายเอาเองคนมีศีลห้าตั้งกฎหมายจนเข้าข้างตัวเพราะเอากฎหมายเป็นแวนเพราะเอาศีลห้าเป็นแวน เป็นเครื่องตั้งทีนี้เขาก็จับโจรไปฆ่ามีปัญหาสอดเข้ามาว่าโจรห้าร้อยเขาจับได้เพราะโจรห้าร้อยไปดื่มสุราที่โรงสุราแล้วก็ไปคุยกันฆ่าพระโมกันาพระโมกันาเจ่งพวกเราฆ่า้วยค้อนก็าตายกินสุราเมาแล้ว พวกตำรวจเขาไปมองอยู่จับเอาจับเอาจับเอาจนจับเอาเอามาพระเจ้าพิพิษฐานให้ฟังะเพียงแค่นี้ก็าเลฟังเพียงแค่นี้เขาเเอาเหล็กเอาไถาเหล็กไปไถฝายพตายมดมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระเจ้าพิพิษฐานเป็นพระสวัดาบันไม่ฆ่าสัตว์รักษาพุทธศิดป์นาคไม่ฆ่าสัตว์ ทำไมจึงไปฆ่าให้เขาไปฆ่าโจรไม่ผิดศีลดอกหรือต่อว่าเพราะพระเยนัยนกฎหมายตั้งไว้ก่อนเลยไม่ใช่พระเจ้าพิมีสารฆ่ากฎหมายฆ่าต่างหากพระเจ้าพิมีสารไม่ได้ฆ่าเพราะกฎหมายเขาตั้งไว้แล้วผู้ใดไปลุยหลุมฐานเพลิงก็ลุนฐานเพลิงสังคารยายนเอา ผู้ใดทำบาปบาปข้อสังขายะนายเอาไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารข้าเช่นบุคคลผู้เป็นปาราชิตไม่ใช่พระองค์ให้เป็นปาราชิตพระวินัยให้เป็นต่างหากภิกษุเป็นสังฆาธิเศษพูดเกี่ยวหญิงก็ดีอจับหญิงก็ดีจับต้องชายหญิงก็ดีมีความกําหนัดอยู่ก็ไม่ใช่พระบรมศาสด า, าให้เป็นสังฆาธิเศษก็พระวีนัยให้เป็นเพราะพระวินัยตั้งไว้แล้ว อาปาตอื่นๆก็เหมือนกันกำไดใครก่อเราไม่พูดก่อขึ้นใครอยากเป็นคนสุขภาพดีก็อยาฆ่าสัตว์วิชาสุขภาพดีคือห้ามให้ฆ่าสัตว์ถ้าเราฆ่าสัตว์เราก็มีอายุสั้นผู้ตายอายุสั้นๆก็คือชาติก่อนเคยได้ฆ่าสัตว์มากผู้มีอายุยืนแต่ว่าเคียนสัตว์ตีสัตว์บ่อยใครรับ ทุกพลภาพก็เหมือนเรานี่เองหนึ่งโรคหัวใจนี่ก็สองโรคไส้เลื่อนก็สามก็โรคถุงน้ำดีเป็นนิ้วสี่ก็โรคกระเพาะห้าก็โรคโรคมาโตาะเห็นได้แต่มีอายุยืนถึงแปดสิบกว่าแล้วเพราะเคยเบียดเบียนสัตว์ใครอยากสุกกายก็อย่าเบียดเบียนสัตว์ ใครไม่อยากให้เขารักสิ่งของของตนก็อย่าไปรักสิ่งของของเขาโทษของปานาทิบาตตามไปถึงห้ารอยชาติเออเคยฆ่าสัจจชีวิตมากก็ตายโหงเกิดมาชาติใดชาติใดก็ตายโหงเคยได้ทําให้เขาทุบพลภาพเกิดมาชาติใดก็เป็นโลคมากในพระพุทธศาสนาเนี่มีโรคน้อยแต่พระพากระพระพากระนั่งก็ไม่ได้พิงหมอน อายุแปดสิบปีก็เดินกับพี่กระเป๋าไปมีโรคชะลาสิ่งเดียวแม้พระบรมศ า, าสดาก็ยังมีโรคเบียดเบียนอยู่คือโรคฤทธิ์จีดวงทวันหนักะาษารีบุตรโมกขลาอ๋อภาษารีบุตรก็นิพพานด้วยลงท้องมดคืนตลอดลูกพอใกล้จวนสว่างก็สินลมตาย มีพระพากละพระองค์เดียวไม่ได้ฉันยาเลยเพราะแต่ชาติก่อนท่านไม่เคยทานยาท่านไม่ได้เคยเวียดเวียนสัตระพากละเหนือดอง น, นั่นเ่อเป็นโลกกันเพราเคยเบียดเวียนสัตี่พระบรมศาสราในชาติที่สร้างบันมีอยู่นั่นนั่นนั่นเดี๋ยเดี๋ยวจะ ต, ตกนั่นนั่นจะเอาลูปใครนั่นนั่นนัๆน กะเข้าแทงโอ้ยมันมันม่นแกงปลาคอยมักิ่นเน่าเพลินมาบ่หัวหน่อกันนี้ธรรมศาตร์เป็นไรแมงว่านมันกะว่าธรรมาศาสตร์มันนที่ว า, า, างเลยม่พูยังเถียังกว่าธรรมาศาสตร์มันแม่นหนอผูอ้เพิพ่มทนทุกข์ไปเพราะกะว่าธรรมาศาสตร์เพิ่มแต่เม่อนี้คันเท่าคันเทาสิ ขันเาเฉบว่าอยากเหลี่ยมใส่เนี่พระนรานกับมแมนยูต่เท้าเหลี่ยมใสในี่ยพาระนรผ่านทางบอแมนเด้หรอเข้าใจบ่ขันเทาเหลี่ยมใส่แบงทูแบงเถิงกับบอแมนขันเท้าเหลี่ยมใส่แ บ, ง, แ บ, ง, ง, บ, แบงวัฒนกัแมนแล้วแมนบ่เพรานี่เข้าเข้าใจว่ามันเกิดมาสำหรับอาหารเท้าแมนบ่ ข้างใ้มันเขียนจะลำากกันหน่ อ, <c oughs> อยบอมันหอกเอาารสัวใชหรอกันเท้าเห็นเวนเห็นไะถ่ออันนั้นคักเข้ากับเข้าเข้ากละได้เลยเข้ามาเห็นเวนเห็นไถ่อะอันนั้นคักเข้ากละบ่ได้เลยเข้าเห็นเวเห็นไ่อะไรอันนั้นคักเข้ากละบ่ได้ คือล้มทานเพิ่งอ่ะเขาเห็นว่ามันห่อนคักนะสิเข้ากับประเทศใดอยาลงไปรุยมันเขาบปใะเไศใลงไปรุยมันกับนักใจไ่แม่นบออันนี้เขาเห็นว่ามันมีประโยชน์เนี่เากับนักใจที่แม่นเหแม่นเหอเออเาเห็นว่ามันมีประโยชน์มีแต่เว้นแต่พ่อาจารเข้ากับนักใจมันนี่เข้าเห็นว่ามันคือจังพอใส่พอสออยู่าเข้ากับประเทศแถบ้แม่นอเอองสันว่าเอาแจกหนังสือไว้ พวกไปก็นะว่าเอาบาทหังสือขย่างส่ อ, ง, สองแสงแสงดีถอะว่อเอากระยาล่าเปล่าเพราะจากไรหนังสือเอวเมวายโตทินังเปตาณังอุปกาปิจิตังจิตังตูมังเปเมวัสมิสสุสเพปูเรนตูสังกับป่าจันโทพนรโสยธามนิโสเจรโสยธาสพิตโยยวันรัสสปุโกตุะโยตุโลกวนั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 จงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรธรรมพุทธศาสนาของพระสมัยพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปทุกด้านจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกาม่มีประมาณนั่นเธอแต่เราก็มีเพียงสมมุติจริงตามสมมติแต่ของเราแท้ๆไม่มีมีตั้งแต่สิ่งที่เกิดแล้วแปรปวนและแตกสลายในโลกนี้ต้องเบือ่อนายความหลงของตนเสียก่อน จึงจะเห็นพระเนพาจึงจะดื่มได้ลืมล่มรถพระเนฟาถ้ายังไม่เบื่อนายความหลงของตนพระเนพาก็ยังมาเห็นเพราะเส้นผมบังภูเขาสลัดความหลงของตนเสียก่อนจึงจะเห็นพระเนฟาหลงของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงหลงอย่างพิจารณามีอยู่สี่อย่าง หลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของสุขหลงของที่ไม่ช่วยใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบย่นความหลงสี่ประการลงมาเป็นเป็นสองหลงว่าเราหลงว่าของเราย่นลงมาเป็นหนึ่งที่หลงว่าเรา ถ้าไม่สําคัญเรามีเราของเราก็มีมาจากประตูใดก็มีแต่กองทุกเท่านั้นย่นความหลงลงมาเป็นหนึ่งถ้าชนะความหลงอันหนึ่งแล้วก็ชนะทั้งโลกเลยถ้าอันไหนก็ไม่ใช่เราก็มาฆ่าทิ้งสักแต่ฆ่าอย่าให้มันเก็บมันตายมันก็เก็บสักไมนก็ตายอย่าให้มันเก็บมันตายมันจึงเป็นของเรา ก็มันหลงมีอยู่อันเดียวหลงว่าเราเมื่อหลงว่าเราแล้วของเราก็ต้องมีก็หลงว่าของเราเมื่อหลงว่าของเรามีก็ถือว่าผู้อื่นมีผู้อื่นมีก็ถือว่าของผู้อื่นมีอีกก็ทะเลาะกันนะเออเธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงซักไม่แช่เราไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนได้แต่สลายเราบรมศาสตร์นะพวกเธอทั้งหลายมาปั้นน้ําให้เป็นตัวอันนั่นก็ของกูอันนี้ก็ของกูไอ้ที่แทก็แปรมือเวลาไปท่านพูดทางนั้น นี่ธรรมชั้นสูงไม่ใช่ธรรมชั้นต่ําไม่ใช่ธรรมชั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติชั้นนี้เป็นชั้นพระนิพพานสมบัติน่ะพระนิพพานก็คือหายเพลินในวัฏฏะสงสารนั่นเองเพลินในวัฏฏะสงสารกับเพลินในลุมฐานเพลินก็อันเดียวกันเพลินในเกิดแก่เกียบตายก็อันเดีกันเห็นภัยในเกิดแก่เกียบตายนะ่าสรลัสังเวช ท, ที่เราเคยหลงมา ข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามความลืมตัวเลืมตนลืมใจลืมทำด้วยความไม่ลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทำข้ามความนอนใจในวัตาสงสารด้วยความไม่นอนใจในวัตาสงสารนกเขานกกระทาเขาเทน้ําใส่กระบอกถอกน้ำใส่ตรลาให้มันกินอิ่มแล้วมันก็ไม่ไหวใจมันก็เวียนกรงขังหลูง แต่พอได้ช่ามบินปรื้หนีเลยไม่กลับมาไม่เหมือนหมูหมูออกจากคอกแล้วเขาเอาอะไรไปรอ่ออาหารไปร้อมันก็มาเองแต่เมื่อเวลาเขาเอาไปฆ่ามันก็ร้องอิอีทออิทนกเขานกประทามันไม่มาในกรงเลยบินปรื้ดหนีแล้วก็ไปเลยไม่คืนมาอีกชั้นในกดก็ดีจะมีลาบมียศมีสรรเสริญสักเพียงใดก็ตามอย่าลืมทางเบื่อนายใครมาในวัตาตักรา อย่าลืมพระนิพานเปรียบเหมือนนกเขานกกระสาวัตถุนิยมเราก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่แต่อู่ของอนิจจังวัตถุนิยมในสกกะกุร่างกายของเรามันก็อยู่แต่อู่ของอนิจจังเหมือนกันดินแตกไปเป็นดินน้ําแตกไปเป็นน้ําไฟแตกไปเป็นไฟลมไปแตกไปลมผมขนเลือฟันหนังเหนืกระดูกเนื่อใ น, นกระดู ก, ก, ดกม้ามหัวใจตาฟ้ามือใจปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เป็นธาตุดิน นี่ทะเลน้องเลือดเงือน้องเลือดเหงือมันพ้นน้ำตาพยายามน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่อน้มุดอันนี้เป็นธาตุน้ำไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโฉมไฟที่ยังกายให้กระวนกวายไฟที่เป็อาหารให้ย่อยอันนี้เป็นธาตุไฟลมพัดขึ้นเบื้องบนลมหายลมเรยอลมอวกลมพัดลงเบื้องต่ําผายลมหรือถ่ายอุจจาระถ่ายพรสสะลมในท้องนอกไส้ลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมพัดใจเข้าลมพาดใจออกพิจารณาล่างกายให้เห็นเป็นแต่เพียงธาตุสีคือดินน้ำไฟลมมาชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เรียกธาตุกรรมฐานเท่านั้นเนี่ยก็ธาตุดินเนี่ก็ธาตุน้ํานี่ยก็ธาตุไฟเนี่ยก็ธาตุลมที่เรียกว่าเราเราก็เลยไม่มีฉันใดก็เรีย ก, กว่ากุติวิหารก็เรื่อยออกหมดจะแล้กวก็ที่จะเรียกว่ากุติวิหารก็อไม่นีเวลาล่วงไปไวแทนาชีวาเล่าเข้าใกล้หละไว้มุ่ยด้วยตนเองเร่งภาวนาปัจจุปปนาไม่ใช่ตนวนเวียนอยู่อู่ปัญจะขัน ใจหมายมั่นยืนยันว่าตนคงไม่พ้นยาพิษมารเผาคิดโง่เขาถือเอาเป็นเหตุตกในเขตปันหาำให้เป็นตัวมัวเมาหลายกลายเป็นอดีตกิดขวางอยู่ผู้รู้อนาคตรอบพิมพมดอนัตตาธรรมกรรมจะไม่นำติดต่อก่อภพใจถูกลบลงถึงทำว่างไม่อยู่ห่างทางไปพระนิพพานถ้าเชี่ยวชาญเดินมักควิถีต่อติดดีไม่มีวันเว้น ใจก็เด่นเห็นทำไม่ตายจะบรรยายไปหลายก็หลากร่นหลากก่อนจะมากก็ออกจากอันเดียวหลงอันเดียวจึงในเที่ยวสงสารอยู่นานเนวนช้าปัญญากร้าหันหาต้นเหตุยนนิเทศเป็นเอกจิตธรรมไม่ร่วงล้ำไปหาทางอื่นไม่ได้ตื่นในการวัวหาการใดๆไม่ใช่ตัวตนจะดื้อด้นไปได้ทางไหนหายสงสัยว่าไปหรืออยู่ ปัญญาสู้คู่ไว้ความหลงปรงภาระสะสารต่อเหตุหมดนิเทศจะกล่าวบรรยัติผู้รู้ชัดก็จะเห็นเองเอะไทนี้ดวนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดมาทางต า, าเยอทยานในตาเรียกว่ารูปรูปปัญห า, ถาเถยอทายานในรูป ถ้าเยอทายาในเสียงเรียกสัทธะตัณหาถ้าเยอทายาในกลิ่นเรียกว่าคานะตัณหาถ้าเยอทายาในเล่นเรียกว <navy> ่า <Listen> ฉ <ifies> <sing ido> ุประสะตัณหาถ้าเยอทายาในโผฏฐะเรียกว่าโผฏฐะตัณหาโผฏฐะตัณหาสัตวทั้งหลายถ้าเยอทายาก็คือโผฏฐะผู้หญิงและผู้ชายกระทบกันอันนั้นคือโผฏฐะสามารถเป็นปราชิกได้เหมือนกันเอธรรมะตัณหา ธรรมะตามหาคืออะไรคือรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ล่วงไปแล้วเอามานึกรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่ยังม่มาถึงและปัจจุบันยืนยันว่าเราว่าเขาอาสา ร, รบุคคลเหตุฉะนั้นท่านจึงบอกว่าพิจารณากายเป็นแต่สักว่ากายอย่าไปยืนยันว่าเป็นเราเราเป็นกายพิจารณเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนา จะไปยืนยันวิทยาธนาเป็นเราเราเป็นเวิทนาพิจารณาใจเป็นตรัสว่าใจอย่ายืนยันว่าใจเป็นเราเราเป็นใจหรือใจมีในเราเรามีในใจเพราะจะตัดอุปาทานออกพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลจะเกิดกับใจเป็นตรัสวู้ธรรมซะดังนั้นพระบรมศราสดาจึงสอนให้ปล่อยว่าเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วมันปล่อยวางในตัวเช่นเราหลับตาอยู่อย่างนี้ เราลืมตาขึ้นมันปล่อยวางเองความมืดนะไม่ได้ทำกิริยาปล่อยอีกแต่ว่าท่านสมมุติเราเป็นปล่อยเพื่อให้เข้าใจชัดเราลืมตาข้าแล้วมันปล่อยเองมืดของมันไม่ได้แต่ตาฟางหรือในที่มืดเหนื่อยแล้วเพื่อนเอาลนะไะเขาไม่ให้พูดมาก น, ะน้องปูมาหาเกิดปีขาน อกว่าเกิดปีกุนตัวบวชสมั ย, ผ, มยผู้บาวสมัยบวชผู้บาลตัวบวช4พันศาเน้น 3, สามพันศาพระพันศาหนึ่งตัวก็เล่าซิกขาไปสางฆนาวาสกัมม า, ารุ่นก็มมารวบ5รุ่นสองพันสี่รอย 8ที่หบาทก็เท่วเดียวนี่อ่ะสามขาวาชอยวู่เม็ดเก่าปีคือเข้าขึ้นมาหารุนท้งวันสี่หลอยแปที่ห ข้าบวชมาเพื่อปฏิบัติผลทุกในวัฏสงสารปัญหามันกำ บ, บัหลายข้าบวชเพื่อปัดใจซีขีว่าเป็นธบาดเส้นนาสนะและเพศสัตว<ม>เพื่อหลับเพื่อยดปัญหามันกหลายเป็นยังปัญหาจังบหลายข้า เ, เห็นไพในวัฏสงสารเนี่ยปัญหาก็เลังหลาย อันนัว่าเห็นไพ่นวัดตาสงสารน่ะปัญหามันกลายพราะว่าตัดสินใจว่าในวัดตาสงสารนี่เต็มไปด้วยแต่เว้นแต้ไพ่เลยเกิดแก้เก็บตายโลกรธลงยากจะมีผู้พ้นไปได้ไหมผู้พ้นไปเป็นเอกเทศก็มีพระโสดาบันสกทาน้ามีอาณาข้ามี่วนพระทหารกับพ้นไปโดยสิ้นเชิงแล้วตามก็นา่นลงมากครับมีแต่ เวียนอยู่ในสนามเวียนสนามไพ่ทั้งนั้นนะสังกัดเขาเห็นยังสัน่นเลยสกัปัญหามันกับว่าร้ายเขามาเห็นยังสั้นเลกัดปัญหาร้ายล่ะผู้บวชเขามาเขาปร ห, หวังผลทุกได้วาตาสงสารมันกับว่าสงเกียจว่าสงเกียติหัวโลน โม่สมเกียรต์ตีนบาทแม่พายโ ม, ม่สมเกียรต์ท่างจงกรมมสมเกียรตผ่าแกนมีโม่สมเกียรตสันเข่ามือและเทือสันในบาทโม่สมเกียรตปืนขึ้นเขาต้องห่วย ผู้สเกียรติเหต ด, ด, ดเด็ดเดียวเดียวความผัสลมกับควา ม, ส ม, มสมไปหมดนะวัตตาสงสารสีรู้ลาปันไดกระตามกุติวิหารตลอดถึงที่อยู่ที่อาศัย ก็เกิดขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟล่มเพราะอาศัยเฮตขึ้นจากอันนี้อ า, าศัยคิตตาสังขารเป็นผู้เฮตขึ้นแตกสลายลงอันเดียวกันในใตจโลกธาตุสิมีร้ายไม่น้อยก็เป็นเมื่อขึ้นของพระพุทธศาสนาเมตตเ พ, พระอรหรรันต์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทาั้งหลายพระธรรมแทะทั้งหลายพระอริยสงฆ์แทะทั้งหลาย พ้นทีมแล้วยังเตมูเฮ้ามาอาศัยพ่อใหญปฏิวัติพื่อคนทุกิมีหน่อยไม่หลายยังกับเป็นเมืองขืนของพุทธศาสนาเมืนม่นน้อมบูชาเพื่อนเมื่ดยากเข้าใจว่าแม้นวัดจเจ้าของกัดจจซีที่ใดมากนะครับจะเข่าแม่นทักพักสัก น, นึงยากเข้าใจว่าแม่นบุญวัดาสนาห้องเจ้าของเข้าใจว่า มันผ่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเขาจึงเอามาหามาเรียบรียานำไลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกข์ขันท่าถือส้ำนั่นแล้ววัใจสีจีจจว่าเป็นาบาทเสนาสนะเมืหลายเข้ากับบะหลงเมื่อหน่อยเข้ากับบหลงขันท่าสําคัญเอาเป็นห้องเข้าขันเมื่อไรมากถึงข่าวมืหลาย ข้าก็าทิผู้ดังเป็นเงียบปเป็งียบว่าแม่น้องเข้าทั้งเข้าทั้งข้าวไม่หน่อยข้ากวกะทิเสียใจน้อยก็สร้างายก็ตามดีก็สร้างประเจิกาก็ตามนี้ไตอำนาจอันนี้จังทั้งนั้นเนี่วัดที่สางขึ้นมาท้าไรกระพังลงไปเป็นดินนาวไฟ่ล่มคือเก า, นะ า, นนกานเนี่ยนว่าจังในไตโรคธาตุเนี่ยดินก็แแจไปเป็นดินนาวกระแจไปเป็นนาวไฝ่กระแจ ไ, ไ, ไปไฝ่ล่มกรแแจไปประล่ม กิเลสกระแทกไปเป็นกิเลสบุญกระแทกไปเป็นบุญบาปกระแทกไปเป็นบาปบุญก็ไปบวกบุญบาปก็ไปบวกบาปมาผลเนี่ยพลานก็ไปบวกมาผลนี่ยพลาดว่าไงมันก็มันเรื่องถนัดว่ามีปัญหาคนนังบอพี่ก็น่าไานั่นปัญหากหลายไม่พยายมันจังหลายอ่ะข้อมล้มจะขอของไรปัญหากหลายอ่ะข้อมล้มว่าไรปัญหากับว่าไร เหตุทั้งสั่นผู้พนพลไปแล้วปัญหาพลอยยางพวกีพวกผู้มูห้องพ่ทันพลก็ตายค่าปัญหาแล้วแก่พ่ตกพระหารแก่ปัญหาตกแล้วชนะสงครามลางโลกแล้วมูห้องผู้มีกีเลร่ร้ายกับปัญหาหาไรผู้มีกีเลร่น่อยกับปัญหาหน่อยผู้มีกับผูมีจังแมกกะเลพลดไปเมดดอกบัวซีเรา เ่อในมีเจ้าขังพุทธการข้างนี้เขามีอยู่ดอกบานกับบานเต็มพุ่งคือคู้ว่าอาจารย์ผู้พ้นพ้นไปแล้วดอกตูมกับตูมเต็มพุ่งคือคือผู้ตะเกียบตากาะกายกําลังจะพ้นอยู่ดอกเสมอน้าหมกําลังเสิ่มต้นออาาขอสระอาคาขอสระอาขาดอกนี้แต่นา้าของเธอไม่มีบาปไม่มีบุญมักผลในผ่านเ่าไม่พวกนั้นก็เป็นจริงถึกว่าล่ะถือของภัยของมัน แมงว่นก็ถึอแมงว่านแมงผู้เผงถูกแมงมือผู้แ ม, แมงเงขาบ้านโยกคนอาสัน้นกับมือหน้าวัตตีเราโก้สโุปเป็นไประทำกรรมเข้ายุคสั้นไหนก็เป็นหน้าที่เข้าสิพิ่ก็นาเอาเองอยุคสั้นดอกบัวใจหนา้าหรือยุกสั้นดอกบัวเสมือหน้าหรือยุคสั้นดอกบัวที่เป็นตูมแล้วหรื อ, อยุคสั้นดอกบัวที่บานแล้วก็เม็นหน้าที่ข้อเข้าสิรู้ตามเป็นจริงข้อเข้าผู้อืน่นจะมาลูแท่นให้กับบัตรสันทิษที่โก ผู้ปฏิบัติผู้บรรลุย่อมเห็นเองเป็นไหมผู้ว่บรรลุกับหงจักว <S S 3> ่าว่บรรลุขึ้นกัน่ะพวกเขาไปขี่กรโมยเขาไปลักจึงลักของเขาหงเจ้าเขารักจึงลักของก็ขึ้นกันน่ะเขาโมเหลียมใชว่าพุทธศาสนาเขางเจ้าว่าเขาโมเหลียมใชยโยกเป็นสันทิฏฐิโกในโลคกีสันทิฏฐิโกในโลกอุตระกามายเอาพระโสดาบันเป็นต้นไป เห็นเองเป็นเอกเทศพระเสด็าวันพ่เสดจอยากรวงระมวดศีรษะพระเสด็ยอยากรวงระมดรบายจมูกพ่เสดจอยากถืออย่ยงคงกะพันพ่เสดจอยากถือเลิกดีงามดีพรเสด็จอยากจองเว่นทันโพไดโกดยูเจ้่ปจองเว้นเคยเคยทำเขามันจะสาสตรกรคับมันแล้วไปซะเขาเคยสั่งมาจะเฮาจะศาสตรกรคับมันแล้วไปซะ เขามาคว้าไม้เขาคอเขาไม้ไก่แม่เล้าไปซะแล้วมีเวทในไพ่กันอีกนั่นพุ่มของสูตรวัตถิพัโนเบื้องต้นเมื่อช่ียดายจากรวงละเมิดอับายยมุกทุกประเภทเชิงใดเมื่อเสียดายจากลวงละเมิดเชยงนั้นมันกับว่านักไก่คือลุ้มทานเพิ่งเขาเมื่อเสียดายจากลงไปลุยมันกับว่านักไก่คือนำไล่ห้องเงินทิ่มแล้วเมื่อเสียดายจะเอาขึ้นมาอีกมันกับว่านักไก่เพราะไปยังจําเป็นที่สั่น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 ของมอบานว่ดเทียงใดใดในลกล้วนอานิจังใดใดโลกล้วนทุกขังใดใดโลกล้วนอนาตาไม่ต้องสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยมันกลับว่าขบวัดขึ้นจักเทียบเมื่สงสัยว่ามันสิบเทียงจักเทียบเมื่อสงสัยว่ามันจะเป็นของสุขจักเทียบเมื่อสงสัยว่ามันจะโยนอำนาจวารสาระของตัวจักรเทียบอันนี้คือเรียกว่ามันบกขบวัดขึ้นเห็นชัดตัดความสงสัยพร้อมกำลมหายใจเขาออกด้วยไม่ไม่ทาให้ต้องการเห็น ของมันมีอยู่อย่างสี่ว่าเห็นเบางยามได้ก็เห็นอยู่ยยามนั้นเว้นไว้แต่มันมูมีของมันมีอยู่พร้อมเมดแล้วในใจโลกธาตุเนี่ยสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือมูสัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เทวโลกได้แก่ชะกามาพัชราหกชั้นพระมโลกได้แก่ลูกพรพรหมที่กชั้นและลูกพรพรมี่ชั้นโลกทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราพรมาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันความสงสัย ใ, ในโลกทั้งปวงก็ห้าเบิกปรุงลที่นั้นเองที่นั่นคืออะไรคือปัจจวัณณจิตปัจจวัณณธรรมที่กําลังภาวนาเห็นอยู่ ลมหายใจเขาออกข้างหนึ่งเขาเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะมีทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยเห็นอนิจจังชัดเห็นโลกรอบนึงแล้วโลกจะไปด้วยอนิจจังเห็นทุกชัดก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพราะโลกจะไปด้วยทุกเห็นสิ่งที่ว่วยู่ในอำนาจวาสนาเพราะ่ให้แกก็แก่พรว่าให้เจ็บก็เจ็บเพราว่าให้ตายก็ตายเพราะวหิวก็หิวเพราะว่ายากก็อยากผสมผสมมรตุอันช่วยแี่ย ก็เห็นโลกรอบนึงคือกันเมื่อเห็นชัดตัดความสงสัยอย่างนี้แนละ้วขุ่มจิขบทย่อทะยานในโลกทั้งปวงมั่นกระจายเจ้าของคือกันนั่นแหละบอกหน่อยว่าพ่อค่ายว่าหลายเป็นโทษเอาฮันมีทธุะระเ <c oughs> อ้อเกษตรกรซะเลยศาสนาอารมณ์ของผู้ถือพุทธศาสนา มันก็ไปในท่ยถ้ากุศลพ้บุญเป็นส่วนมากถึงแม้ไปทั้งได้ทังบาปก็คงไม่เป็นส่วนน้อยเพราะมีเครื่องมีเครื่องยึดเหนี่ยวได้อารมณ์ไปทั้งบุญเป็นส่วนมากไปทั้งท่านวัดศีลวัดภาวนาวัดเป็นต้นไปทั้งท่านกับจารคานุสติไปทั้งศีลกัศีลานุสติไปทั้งภาวนาก็ภาวนานุสตินึกถึงคุณพระพุทธ ก็พุทธานุสติแล้วลึกถึงคุณของพระธรรมก็ดธรรมานุสติแล้วลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็ศีลานุสติแล้วลึกถึงทานที่จ น, นบริจากบริจาคแล้วประจาคานุสติหรือกําลังจะบริจาคหรือกาลังจะไปข้างหน้านึกถึงคุณเบดามารดาก็เป็นบุญเหมือนกันอภิชาญกันทำไมบุญสาเร็จด้วยการถ่อมตนแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือนล้วึกถึงคุณของท่านมันก็มีแต่บุญเป็นสวนมาก ท่ำบุญแล้วไปยู้ใจท่ำบาปแล้วก็ไปสลองใจส่วนท่ำน้อยท่ำมากแล้วได้ใจสิท่ำเอาท่ำบาปก็ไปบวกบาปยู้ใจท่ำบุญก็ไปบวกบุญยู้ใจถึงพระพุทธก็ใจเป็นผู้ถึงก็เลยยู่ใจอะถึงพระธระรมก็ใจเป็นผู้ถึงก็เลยยู้ใจอฮัลถึงประสงค์ก็ใจก็เป็นผู้ทสงฆ์ก็เลยยู้ใจอะฮัลพุทโธไปลว่าโพลูล้ละบาปบําเพ็ญบุญ ธรรมโอ้ทรงไม่สึงภูระบาบันเพื่บุญสังโฆปฏิบัติเพื่อระบาบันเพื่นบุญจงทําจิตให้บันเทิงในอาการละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหยนลงมาเลยหยนลงมาหาเอกอนิบาตถําไม่บทเดี่ยวคือใจคาว่าเป็นสองก็กายกายกับใจคำว่าเป็นสามก็กายว่าจใจใจคาว่าเป็นสี่ก็อริยสัจซี่ธาตุี่ถิ่นําไฟล่ม ขันว่าเป็นหาขันหาขันว่าเป็นหกกระตาของจมูกเลี้ยกายใจขันว่าเป็นเจ็ดอเนจทรัพย์เจ็ดเป็นต้นขันว่าเป็นแปรอทั้งที่กรรมข่าแปรก็ยศลงมากก็ไป็ไตเสียขาคือเก่าแนละ่วสินสมารถปัญญาของเขานะสีว่าไปร้ายก็ร้ายออกปักใจไปจักใจขันที่ยศลงมากก็ยศลงมาหาใจของเก่านะสังเกตหู แปลว่าสองข้อลงี่ใจอาังเข้าหงแปลว่าขยายออกจากใจสินับไปถึงมืน่นถึงล้านกระต่างกระนับออกไปจากลักหนวยขันยนกขหล่นลงมาหาลักหนวยหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นสนล้